มีใครอยากจะถามอะไรัหมอยากจะรู้เรื่องคนคนตายคนเป็นไหมว่าต่างกันตรงไหนคนตายกับคนเป็นตางกันตรงที่คนเป็นยังหายใจอยู่คนตายไม่หายใจแล้วแล้วคนที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆก็ไม่ได้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 คนขับไม่เป็นไรคนขับคนขับจะสั่งให้รถวิ่งต่อไปก็ไปไม่ได้แนละ้วคนขับก็ถ้ายังต้องใช้รถอยู่ถ้ามีเงินก็ไปซื้อรถคันใหม่แล้วก็ไปขับใหม่จะได้รถใหม่ดีกว่าเก่าก็อยู่ที่เงินมากมากมีเงินมากหรือมีเงินน้อยถ้ามีเงินมากก็ซื้อรถคันใหม่ที่ดีกว่าเก่า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 ถ้ามีเงินเยอะก็ซื้อร่างกายที่ดีกว่าเก่าถ้ามีเงินน้อยก็ซื้อร่างกายน้อยที่ไม่ดีเท่ากับร่างกายอันเก่าเงินที่จะซื้อร่างกายก็คือบุญกุศลที่เราทำกันเนี่ยที่เราเอาเงินเอาทองไปทำบุญกันเนี่ยเหมือนกับเราเอาเงินไปฝากในธนาคารบุญพอเวลาที่ร่างกาย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 บุญก็จะดึงเราไปสวรรค์ไปท่องเที่ยวในสวรรค์เหมือนพาเราไปเไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวตามสถานที่ที่วิจิตรพิสดารสวยงามมีความสุขมีความเพลิดเพลินเหมือนตอนที่เรานอนหลับฝันไปเวลาเราฝันดีก็แสดงว่าใจเราได้ไปสวรรค์แล้ว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 มาขับร่างกายให้ไปทําอะไรตามตามความอยากของใจแล้วทําไปก็มีผลเกิดถ้าเอาไปทําบุญก็จะมีผลดีถ้าเอาไปทําบาปก็มีผลไม่ดีแล้วเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปรับผลดีหรือไม่ดี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 ไปสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดในระยะเวลาไม่กี่ปีหลังจากที่ตายไปแล้วอันนี้เป็นที่ไปของคนที่มาควบครอบของร่างกายคนที่ใช้ร่างกายสั่งร่างกายก็คือพวกเรานี่แหละพวกเราไม่ได้เป็นร่างกายพวกเราเป็นผู้รู้ผู้คิด เราเรียกผู้รู้ภู้คิดนี่ว่าใจเวลาไม่มีร่างกายแล้วก็เรียกว่าวิญญาณผู้รู้ภู้คิดนี่ก็เป็นวิญญาณไปเป็นร่างทิพย์เป็นกายทิพย์ไปถ้าเป็นกายทิพย์ที่มีบุญก็เป็นกายทิพย์ที่เป็นเป็นเป็นกายทิพย์ที่มีความสุขแล้วก็เรียกว่าเทวดาถ้ากายทิพย์ที่มีบาปมีทุกข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 เพรายังอยากจะหาความสุขจากการมีร่างกายเวลามีร่างกายเราก็ใช้ร่างกายนี้ทําไปพาเราไปทําตามความอยากต่างๆเช่นเราจะมีความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกลิ่นอยากเสสัมผัสอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายมันก็เลยทําให้เราต้องมีร่างกาย ถ้าเราตัดความอยากเหล่ า, านี้ได้บุญกับบาปที่เราทำไว้มันจะไม่มีกำลังดึงใจให้ไปทางใดทางหนึง่งเพราะใจเหมือนกับไม่ไปตามใจมีกำลังต้านกำลังบุญกับกำลังบาปได้แต่ถ้ามีความอยากมันก็จะไปกับบุญไปกับบาป ถ้าไม่มีไม่มีความอยาก London, ก็เหมือนกับถ้าเป็นเรือก็เหมือนเรือที่ทอดสมอไว้กระแสน้าก็จะไม่สามารถทัดให้เรือไหลไปไหนมาไหนได้ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็เหมือนกับเรือที่ไม่ม e ีสมอไม่ได้ทอดสมอไว้เรือก็จะไหลไปตามกระแสน้ากระแสน้าไหลไปทางไหนก็จะไปทางนั <h <h ้น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 พอเวลาแกตายไปด้วยความผูกพันกับสมบัติเงินทองของแกทำให้แกกลับมาเกิดเป็นหมาในบ้านของแกงที่บ้านเลี้ยงหมาไว้พอที่หมาตั้งท้องเวลาแกตายกายก็เลยมาเข้าไปเป็นลูกหมาพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาเห็น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 เราให้เขาตายไปก่อนถ้า้อยตัวเลงนี้ตายไปก่อนแล้วเขาก็จะไม่กลับมาเพราะเขารู้ว่ากลับมาเขาก็ไม่สามารถที่จะมาใช้ผ้าจีวรเถื่นนี้ได้เศรษฐีก็เหมือนกันพอเป็นหมาพอตายไปก็รู้ว่ากลับมาเป็นหมาก็ใช้เงินไม่ได้พอตายไปก็เลยไม่มาไม่คิดจะกลับมาก็ปล่อยก็ไปรับผลบุญผลบาปของตัเองไป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 มีบัญชีอยู่ธ น, นาคาร น, นั้นอยู่ถ้าเขามาบอกเราในฝันแล้วตอนที่เราเตื่นแล้วเราไปเช็คดูว่าบัญชีในธนาคารนี้มีหรือเปล่าถ้ามีก็แสดงว่าเขาเขามาบอกเราจริงๆแต่ถ้าไปเช็คแล้วไม่มีก็แสดงว่าเราคิดไปเองเราฝันไปเองความฝันนี้มันเป็นได้ทั้งเป็นความจริงและเป็นความคิดของเรา อย่างแม่ชีคุณแม่ชีแก้วนี่คุณแม่ชีแก้ว น, วนี่แกจะมีคนตายเข้ามาหาแกในสมาธิเรื่อยๆไม่ใช่คนตายนะสัตว์ตายเช่นหูป่าตายควายตายหรือคุณนี่นะคุที่หลว ง, งปูม่ม่นตายหลวงปูม่ม่นก็มาบอกแกในสมาธิเพราะแกตรีมตัวจะไปกราบไปเยี่ยมหลวงปู่ในวันรุ่งขึ้นอยู่กันอยู่ห่างอำเภอ อยู่ต่างอำเภอกันอยู่จังหวัดเดียวกันกาจะไปกราบท่านได้ข่าวว่าท่านไปอยู่ที่สกลวัดป่าสุทาวายก็จะไปกราบแต่ในคืนนั้นก็ขณะที่นั่งสมาธิหลองปู่ก็เสียพอดีหลวงปู่มั่นเสียหลวงปู่มั่นก็มาบอกแต่ว่าไม่ต้องไปแล้วละ่ะเราไปเราตายแล้วไปก็ไม่ได้เจอเราเจอแต่ซากศพของเรากก็เลย รู้ก่อนคนในหมู่บ้านยังไม่มีใครรู้ว่าหลวงปู่ม่นตายนะเพอตอนสายๆจึงมีข่าวมาจากทางอำเภอก็ามาแจ้งให้ทราบแต่แกตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ร้องไห้ก่อนนะแม่ชีที่เป็นเพื่อนก็ถามว่าทำไมร้องไห้เขบอกหลวงปู่ท่านเสียแล้วเสียตั้งแต่เมื่อคืนนี้แต่ยังไม่มีใครรู้ข่าวกัน แล้วพอวันนั้นสายๆก็มีคนมามาจากทางอำเภอมาบอกว่าได้ข่าวว่าหลงปู่ม่านเสียแล้ว น, นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการปฏิบัติในศาสนาพุทธเราจะเรียกว่าเป็นเพื่อเจ้าเรื่อเรื่อเรื่อ ง, อ ง, อ ง, อ ง, องหลอกลวงก็สุดแท้แต่จะเอาไปคิดกันแต่ผู้ที่เขาพูดผู้เขาเล่านี้เป็นคนที่ไม่ชอบไม่ได้เป็นคนโกหกหลอกลวง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 เราใชใ้มันทำงานต่างๆใช้ให้มั น, ไ ป, น ون, ไปทำนู่นไปทำนี่มาที่นี่เราก็ใช้มันมาเราอยากจะมาที่นี่เราก็สั่งมันบอกวันนี้มาวาัดกันนะเราก็สั่งให้มันเดินทางมาถ้าไม่มีร่างกายเราก็มาไม่ได้หรือถ้าเราไม่สั่งมันมันก็ไม่มาอย่างเมื่อวานนี้ไม่ได้สั่งให้มาที่นี่มันก็ไม่ได้มาที่นี่สั่งให้ไปที่อื่น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 คนนี้เราไม่รู้จักเราไม่ทุกข์กับเขาใช่ไ้ยอย่างโยมไม่ทุกข์กับคนนี้ใช่ไหมคนนี้เป็นอะไรก eh, ็เป็นเรื <een culinary is unacceptable> ่องของเขาใช่ไหมโยมคนนี้ก็ไม่ทุกข์กับเราใช่ไหมเพราะเขาไม่รู้จักเราเราจะเป็นอะไรเขาก็ไม่ทุกข์กับเราเขาจะเป็นอะไรเราก็ไม่ทุกข์กับเขาแต่พอคนนี้มาอยู่ใกล้กันมาอยู่ด้วยกันก็มาทุกข์กันเพราะพอรู้จักกันแล้วก็อยากจะให้เขาอยู่ไปนานๆแล้วสิ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 ก็รู้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ห้ามใจของเราได้ด้วยสมาธิด้วยความสงบห้ามไหมห้ามใจของเราไม่ให้ไปทุกไปกับไปกับการไปของเขาเราห้ามได้เท่านี้แหละห้ามใจเราแต่เราห้ามเขาไม่ได้เช่นเราห้ามแม่เราไม่ได้ไม่อยากให้แม่ไปเขาก็ไปอยู่ดี เวลาไม่อยากให้เข้าไปเราก็เสียใจกันเวลาเข้าไปแต่ถ้าเรามีกำลังใจหยุดความอยากไม่ให้เข้าไปได้เราก็จะเฉยๆเวลาเข้าไปถ้าจะร้องไห้ก็แกล้งร้องไห้ไปให้คนอนื่นก็เห็นว่าเราร้องไห้เดี๋ยวไม่ร้องไห้ก็ช้าว่าใจจืดใจดำแต่ไม่ได้ร้องไห้ด้วยความทุกข์ทรมานใจ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 เป็นพวกขยะทั้งหลายนี่เวลามีเอาขยะไปทิ้งเราเสียดายไหมเพราะเราไม่อยากจะให้เขาอยู่กับเราเนหะ็นไหมพอเราไปทิ้งเราก็กลับสบายใจสิเวลามีขยะอยู่ในบ้านนี่มันเห็นแล้วก็าราคาญตาเอาขยะไปทิ้งแล้วก็สบายใจถ้าเราไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งของที่เราไม่ยึดไม่ติดเวลามันไปเราก็จะไม่เสียดายไม่เสียใจ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 ถ้าเราอยากให้เขาว่านอนสอน ง, ง่ายเหมือนตอนเป็นเด็กเราก็จะเสียใจเพราะเขาเขาจะดื้อละเขาอยากจะทําอะไรตามความคิดของเขาแล้ะแต่ถ้าเราทําใจได้เราก็ไม่เดือดร้อเราก็ไม่เสียใจเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยก็ทําไปเรามีหน้าที่สอนมีหน้าที่บอ ก, กต้ทําไปเขาไม่ทําก็เรื่องของเขาอ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 ถ้าเราอยากก็อย่างมากที่เราทำได้ก็คือบอกเขาสอนเขาว่าทำอย่างนี้ดีกว่านะทำอย่างนี้ไม่ดีนะแต่ถ้าเขาไม่ยอมทำเราไปทำยงไงได้เราก็ต้องทำใจเราทำหน้าที่ของเราดีลที่สุดแล้วเราเป็นพ่อแม่ก็เป็นเหมือนครูบาอาจารย์ที่เราต้องสั่งสอนลูกศิลป์ลูกหาเมื่อเราสั่งแล้วสอนแล้วเขาไม่ทำตามเขาสอบตกอางอาจารย์จะเสียใจหรือเปล่าครูจะเสียใจหรือเปล่า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 แล้วเราก็จะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสบายอยู่อย่างสงบถ้าถ้าทำใจไม่ได้ก็ต้องไม่หัดทำใจกันไม่หัดนั่งสมาธิกันแสดงว่าเราไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากของเราทั้งทั้งที่รู้ว่าอยากเราก็ทุกข์ก็ยังหยุดไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับก็รู้ว่าเพราะอยากให้เขาดีแล้วเขาไม่เาเป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็นก็วตกกังวลห่วงใ ย, ยไปต่างๆนานา หรือถ้าวิตกกังวงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเรากลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเขาอยากจะมาทำร้ายเราเราจะทายัางไงได้เราทำได้อย่างมากก็คอยหล บ, ลบๆซ่อนๆอย่าไปเจอเขาถ้าเกิดไปเจอเขาเขาจะมาทำร้ายเราเราจะทำาังไงถ้าเราไปทำร้ายเขาเราก็ไปทำบาปซุ่เราทำใจดีกว่ะคิดว่าเกิดมา เ, าเดี๋ยวก็ต้องตาย ถ้าเขาจะทําร้ายจะฆ่าเราก็ปล่อยเอาฆ่าไปจใจเราจะไม่ทุกข์ไม่หวั่นไหวกับความตายของเรา mm hmm. แล้วสมัยนี้ก็กลัวเป็นโรคนู้นโรคนี้กันมีความรู้มากแต่เป็นความรู้ว่ามาทําให้ทุกข์ไปเปล่ปาๆ mm hmm. กลัวเป็นมะเร็งมางกลัวเป็นนู่นเป็นนี่มัากแต่ไม่กลัวเวลาสร้างเหตุให้มันเป็นขึ้นมา โรคต่างๆมันก็เกิดจากการกินการอยู่ของเรานี่แหละถ้าเรามาปรับวิธีการอยู่การกินของเราให้มันเหมาะสมมันก็ไม่เป็นอนที่เราเวลากินนี่เราไม่กลัวกันเวลาเป็นแล้วค่อยมากลัวกันเป็นมะเร็งเปนน็นอะไรต่างๆเป็นโรคไขมันอุดตันเป็นความดันเนี่ยเป็นเบาหวานเนี่ยมันก็มาจากเรื่องที่เรากินนี่แหละของที่เรากิ น, เ, นเวลากินไม่กลัวกันะ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 ยังอยากจะมีแฟนอยู่ใช่ไหมยังอยากไปเที่ยวใช่ไหมยังอยากจะดูละคร mm hmm. อยากจะ ด, mm hmm. ดูการละเล่นอะไรต่างๆ mm hmm. ดูการสแสดงอะไรต่างๆ mm hmm. อยากจะไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ mm hmm. อันนี้ก็ต้องมีร่างกายถึงจะพาไปได้ mm hmm. ถ้าเรามาจเจริญสติมาควบคุมความคิดทําใจให้สงบ ใหงเป็นสมาธิได้เราก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็เลิกใช้ร่างกายได้เวลาอยากจะมีความสุขแล้วก็นั่งสมาธิกัน mm hmm. ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไปนั่งดูทีวีไปดูละคร mm hmm. ไปกินขนมอะไรต่างๆไปกินไปดื่ม mm hmm. เครื่องดื่มอะไรต่างๆ mm hmm. ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันดีกว่ามันอิ่มกว่ามันสบายกว่า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 หลอกให้เราไปหาความทุกขนะ์เราก็จะอยู่อย่างสุขไปตลอดอันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พอนะ <c oughs> คุณยายอายุเท่าไห <c oughs> าาร่ยายมีมากขึ้นกำไรต้องสิบห้าปีขึ้นมากกว่าพาาุทธเจ้าสิบห้าปี อาย่เกินแปดสิบก็ถือว่ากำไรแนละ้วอยู่ก็ต้องทำบุญให้มากกว่าบาปจะได้ไม่ต้องไปใช้กรรมไปรับผลบุญถ้าบะาถ้าบุญมากกว่าบาปอยู่ทุกภพทุกชาติก็ยังไม่ต้องไปใช้บาปไปอย่างสงบ ปล่อยวางร่างกายสาธุที่ได้ให้ลงมือทำพุทธศัพท์เดทำไปทำบุญด้วยทำบุญครั้งสุดท้ายกระจายอยู่ที่ไหนตั้งแต่ปี30ปีสามบเี่ยม9ปีเย่ยเปีนนมา่มกว่านหลวง่เี่ยักนใครมาอยู่ช่วง บูกเบิกสร้างวัดข้างล่างปีสองปนย์สองศูน ย, สสน ย, สสนย์สองหท่านมาอยู่ปีกว่า2ปีแล้วท่านก็นไปแล้วส่วนอยู่ติดมาถามคำถามเป็นกับอาจารย์ครับอ่าถามอะไรเนี่ยครับก็ร้อยแปดบุญเรื่องบุญ เ, เรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการปฏิบัติทำเรื่องการ อะไรต่างๆแล้วแต่บางคนมีปัญหาทางบ้านเรื่องกับสามีบ้างภรรยาบ้างลูกว้างมีร้อยแปดพัน 108, ประการร้ 108, อยแปดปัญหาด้วยแต่ความทุกข์ทุกทั้งนั้นอ่ะแล้วก็มีสาเหตุเหมือนกันทุกทุกอย่างก็คือความอยากของเราครับออถ้าไม่อยากแล้วก็ไม่ทุกข์กัน<ฆ>ที่มันทุกข์เพราะอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นก็ทุกข์<ฆ>ถ้าเราไม่อยากแล้วก็จะเป็นอะไราเราก็ไม่ทุกข์<ฆ>ใช่ไหมถ้าไม่ว่างก็ไม่หยุดนะนั่นแหละก็มีแค่นั้นแหละ แต่มันหยุดไม่ได้เ็รา่ากิเลสมันไม่ยอมให้วางความอยากก็ไม่ยอมให้วางทางั้งๆที่รู้ว่าทุกข์ก็ยังยอมทุกข์ก <c oughs> เพราะยังอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยังอยากได้สิ่งนั้นอยางได้สิ่งนี้อยู่ทั้งๆที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปอยู่ดีใช่ไหมเวลาตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ลาบยศสรรเสริญได้ชั่วครั้งชั่วคราพอมีชีวิตอยู่พนะอาตายไปก็เอาไปไม่ได้ตาก็ยังอดไม่ได้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 แต่อย่าหวงไงเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องจากกันอยู่ดีเพราะพระุทธเจ้าท่านก็เป็นพระราชาโอรสนะท่านก็รู้ว่าต้องจากการเป็นพระราชาโอรสสักวันหนึ่งท่านก็เลยจากตั้งแต่ยังไม่ตายดีกว่าจากแลไปบวชไปหาความสุขแบบที่ไม่ต้องมีอะไรเพียงแต่ไปนั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วสอนใจให้ฉลาดว่าอย่าไปหลงกับอะไรในโลกนี้เท่านี้ก็จบละอันนี้เรายังหลงกันอยู่ ทั้งทงที่รู้วมันทุกข์ก็ยังอยากได้อยูอ่เพราะว่าปัญญาเราไม่ทันความหนุนเราต้องสร้างปัญญามาให้ทันพายายามคิดอยู่บ่อยๆว่าไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรารพออยากจะได้แล้วมันจะได้บอกเฮ้ย hey, ไม่เที่ยงนะทุกข์นะเราก็จะได้ไม่เอาก็ได้ในชะ่ครับก็เ <laughs> สียไอยู่แนละวตัพอมันเห็นอะไรป้อมมันดืมหมดเลย <laughs> พอเราอยากได้นี่มันลืมหมดเลยก็อะไรต้องไปทุกกับมัน <g ül> ก็ต้องพยายามหาเวลาอ่านหนังสือธรรมะเราจะมีปัญญาสะสมไว้ในใจแล้วเราจะได้ความรู้นี่มาใช้ต่อสู้กับความหลงเวลาเกิดความอยากอะไรต่างๆแล้วมันก็จะทาให้ความอยากมันเบาบางถึงแม้จะไม่หมดมันก็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 พอใจนิ่งสงบนั่งสมาธิใจหยุดปับ๊บความอยากมันก็ต้องหยุดตามเพราะความอยากมันใช้ความคิดเป็นเครื่องมือเราต้องคิดถึงอะไรก่อนถึงจะอยากได้ถ้าเราไม่คิดมันก็อยากไม่ได้นะครับถ้าเราพยายามหยุดความคิดบ่อยๆความอยากมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงเบาลงไปเบาลงไปแล้วถ้าเรามีปัญญาเราก็จะทําลายมันได้อย่างถาวรปัญญาก็จะบอกว่าของที่เราอยากมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นอะ ทุกเพราะามันไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วก็มีวันหมดไปได้มีเจริญก็มีเสื่อมมีลากก็เจริญลาบก็มีเสื่อมลาบมีเจริญยศก็มีเสื่อมยศมีสรรพสัตว์ก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์สลับกันไปันอย่าไปอยากได้ของเหล่านี้เลยแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันเวลามันเสื่อม อยู่แบบไม่มีดีกว่าอยู่แบบไม่มีราภยศสารเสด็จอยู่แบบพระเนี่ยไปบวชกันเนี่ย <c oughs> ตอนนี้บวชให้ในหลวงกันเยอะแยะแต่บวชไม่กี่วันเท่านึงเสียดายเรียบบวชกันแบบไม่เสียจได้ก็ดี <c oughs> อันนี้ก็มีพระที่ก็บวชให้ในหลวงร้อยรูปมาจากวัดพระรามเก้าก็มาอยู่ที่นี่กันอื <c oughs> แล้วเมื่อวันที่หนึ่งก็มีทางผู้ว่าทางรองผู้ว่าเาก็จัดบวชสิบเก้ารูปเนึ่ยก็มาอยู่ที่นี่กัน เห็นแต่ว่าอยู่ไม่นานนะบวชแค่สิบห้าวันอ๋อครับพระกุศลอถอนพระราชกุศลไปถ้าบวชได้จริงก็ดีเลยจะได้พ้นทุกข์กัน เ, เราเข้าหาทุกข์เองเราต้องหนีออกจากเราต้องถอยออกจากกองทุกข์ราบยุศเสรรเสือนี่คือกองทุกข์กองใยแต่เราไปเห็นว่ามันเป็นเป็นเ<ม>บาะนุ่มๆห น, หนาๆเราไปนอนกัน<ม> <laughs> ได้ไหมได้ครับที่เราทุกข์ตอนนี้ทุกข์กับอะไร กระทุกกระทาบยศสรรเสริญนี่แหล ะ, ะมไม่รู้เท่าทันก็นไปทุกข์กว่าใช่ดังนั้นต้องพยายามสร้างปัญญาสร้างสติขึ้นมาแล้วเวลาใจยทุกข์กับอะไรจะได้ใช้ปัญญามาแก้ได้<ะ>ว่เรากําลังอยากนะเรากําลังอยากกับเรื่องที่มันทําให้เราทุกขนะ์<ะ>เราปล่อยแล้วเราก็จะไม่ทุกข<ะ>์มั<ะ>มนดูเราส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้คร ใช่ถึงมาเกิดกันไงคนที่เขาไม่เป็นอย่างนี้เขาก็ไม่มาเกิดพระพุทธเจ้าพระอานานย์ทาไม่มาเกิดเพราะท่านรู้ว่าโลกนี้มันเป็นโลกของความทุกข์กันท่านก็ไม่มาเกิดกันแต่พวกเรายังไม่รู้ว่ามันโลกของความทุกข์เรายังคิดว่าเป็นโลกของความสุขเราเลยกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเกิดแล้วก็เรามาล้องหยมล้อง่ายกัน <laughs> พวกเราชาติพวกเราชาตินี้โชคดีได้มาเจอคําสอนอพระพุทธเจ้า ที่มาบอกว่าเราความจริงของโลกนี้เป็นความทุกข์อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่เราจะถอดถอนตัวเราเองออกจากความอยากในสิ่งต่างๆได้หรือไม่ถ้าเราเชื่อแล้วเราตั้งใจปฏิบัติสร้างกำลังถอดถอนความอยากออกจากใจเราได้เราก็การเกิดนั้นไม่ดีเพราะเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย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 ก็ต้องไปอยู่แบบนักบวชไปบวชกันนะพวกบวชนี่ก็ไปหยุดความอยากกันทนะั้งนั้นใช่มเขาไม่ไปหาลาบยศสารเสสนะ์เขาหาความสงบความสงบนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสารเสริญถ้ามีความสงบแล้วก็ไม่ต้องมีลาบยศสารเสสไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่ จุดเริ่มต้นก็คือการศึกษาอ่านหนังสือธรรมะไปเรื่อยๆอ่านแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดศรัทธาขึ้นมาเองเกิดความยินดีที่อยากจะปฏิบัติตามอเดี๋ยวก็ได้ปฏิบัติเองคนที่มาเป็นพระนี่ก็เป็นเหมือนพวกเรามาก่อนอาตมาก็เหมือนโยมมืก่อนก็เรียนหนังสือทํางานหาเงินหาทองหาความสุขพอวันดีคืนดีไปเจอหนังสือธรรมะอ่านเข้ามันหูตาสว่างขึ้นมาเออเรากําลังไปผิดทางเลย เรากำลังไปวุ่นวายไม่ได้ไปสู่ความสบายใจก็เลยย้อนยูเทิ turn, ร์นยูเทิร์นลาออกจากงานไปปฏิบัติธรรมดีกว่าือาอปฏิบัติธรรมก็เจอความสงบเจอความสุขก็เลยบวช ด, ดีกว่าบวชสบายจะตายไปข้าวก็ไม่ต้องเสียบ้านก็ไม่ต้องเสียน้าไฟก็ไม่ต้องเสียงานก็ไม่ต้งองทำ แล้วมาบวชนี่ให้อยู่เฉยแค่ไหนกับไม่อยู่กันไม่ชอบกันมรรลุกหล่ากาสะวาสกิเล่มันยังขาดตัดกันไม่ขาดเนี่ยเออเสอสิก็ต้องตัดมันตัดได้อยู่ที่เราจะตัดมันก็ไม่ตัดคนที่ตื่นมาเข้าใจได้แต่คิดไม่ค่อยได้ออทําไม่ค่อยได้ครับคนที่ทําได้ก็สบายไปใช่ครับคนที่ยังทําไม่ได้คนทำได้กับพรอาจารย์เนี่ยฮะเรถึงมาบวชนี่ฮะออ แต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้่ครับถ้าอยากจะทําเเอำแต่ว่ามันเหมือนกับการเลิกยาเสพติดเนี่ยมันไม่ง่าย<ะ>เวลาเลิกทีมันใจมันจะตายให้ได้จะขาดใจตายเหมือนกับไม่มียาเสพติดให้เสพ<ะ>เราติดรูปเสียงกลิ่นรสพอเรามาบวชนี่เราก็เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้นะ<ะ>ก็เหมือนคนที่เลิกติดเลิกยาเสพติดเ่เวลาเลิกใหม่ๆมันก็ทรมาน ถ้าไม่มียามาช่วยยาก็คือสมาธิมาช่วยก็ทนไม่ไหวเดี๋ยวก็ต้องสึกไปแต่ถ้าใครหายามาช่วยได้ทำใจให้สงบได้ความทรมานจากการที่ไม่ได้เสพมันก็จะหายไปมันก็จะพอทนอยู่ได้ยิ่งถ้าลองนั่งสมาธิได้ก็คิดว่าไปได้ถ้าฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็จะมีกำลังที่จะเลิก การหาลาบยดสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดได้ก็จะไปบวชได้มีอะไรไหมคนพามาไม่เห็นถามเลยนี่พรเป็นคนพาและนำมาครับก็มีอะไรอยากจะถามไหมอาจารย์นัทจจริงๆนวเนี่ยชีวิตทางโลกเนี่ยงานเนี่ยก็คือภายนอก งานของพระนี่จริงๆคือภายในใช่ไหมฮอยู่อยู่ภายในจิตใจของตัวเองนี่ใช่ไหมคืองานหลักของพระก็งานภายในงานป่างานกําจัดกิเลสแต่พระก็มีงานภายนอกแต่งานภายนอกก็เพียงแต่งานที่จําเป็นคือการเลี้ยงดูร่างกายเช่นไปบิณธบะนี่ก็เป็นงานภายนอกกวาดทูสาลาซักผ้าจีวรพักผ่อนหลับนอนนี่ก็ถือว่าเป็นงานภายนอกงานทางร่างกายที่ยังต้องต้องมีอยู่เพราะยังต้องใช้ร่างกาย ในการที่จะมาปฏิบัติธรรมแต่งานจริงๆก็คืองานภายในงานสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อทำใจให้สงบเพื่อตัดความอยากต่างๆให้ได้อันนี้เป็นงานของพระโดยโตรงงานนี้ทางคารวาไม่ทำกันทางคาะ น, นี้จะทำแต่งานภายนอกอย่างเดียวงานหาเงินหาทองหาปัจจัยสี่แล้วก็หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย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 อันนี้เป็นงานภายในล้วนๆงานภายในใจแต่สมัยนี้พระท่านก็ไปทางานภายนอกกันซะส่วนใหญ่อย่าวนี้ท่านก็ออกไปทางผ้าป่าบ้างสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไรต่างๆซึ่งกิจงานเหล่านี้ไม่ได้เป็นงานของพระเป็นเป็นเรื่องของศรัทธาของญาติโยมที่อยากจะทำบุญพระไม่มีหน้าที่พระมีหน้าที่มาสร้างทา ใจของตนสร้างความสงบให้กับใจพระก็เลยหลงทางกันหนึ่งส่วนใหญ่หลงไปกับลาภยศของทางโลกอยากจะเป็นเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคุณด้วยเป็นเจ้าคุณอยากเป็นสังฆราชเนี่ยหัวละขอบใจ เอานั่นแหละก็เป็นเพราะว่าใจไม่มีอะไรใจไม่มีความสงบมันก็เลยหิวหิวกับลาบยศสรรเสริญเหมือนกับคารวาเนี่ยเพงแต่ว่ามีมีศีลหน่อยเท่านั้นเองมีศีลสองรอยี่บเจ็ดข้อที่ที่ต่างจากคารวาก็มีแค่ศีลสองรอยยิบเจ็ดแล้วก็โกน ห, วหัวห่มผ้าเหลืองนั่นแต่ความอยากในลาบยศสรรเสริญก็ยังมีเหมือนเดิมพ่ามันไม่ตายจากการนุ่งกอดหากรนุ่งนุ่งเหลืองโกนหวัวหรอก ตอนนี้มันจะต้องตายด้วยสมาธิด้วยปัญญาหน้าที่ของพระก็มาเรียนไปศึกษาศีล ส, สมาธิปัญญาแต่ไม่เรียนกันเนี่ยบวชป้าก็มาหัดสวดสวดบางสกุลกันแล้วบวชสังสวดสังฆทานสวดให้พรกันแล้ว <c oughs> อาจริงๆเนี่ยนี่ไปบวชนี่เราไปบวชถ้าไปบวชก็จะให้ให้ไปหัดสวดมวนต์เพราะเดี๋ยวมีกิ่นนีมนม่มนต์ลอยออกงานฮะต้อง<ว>ออกงานาไม่พูดถึงศีลสมาธิปัญญาอะไรกัน ปุตติสินสมาธิปัญญาก็ต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาเนะี่ยวัดป่าวัดเขาเนะี่ยเขาไม่เอาเรื่องเรื่องทางทางโลกทางภายนอกเขาไม่เอากันเอาไปทุดตรงกันก็ไปหาความสงบกันหาธรรมกันเขาไม่ได้แนะนำให้ประชาชนรู้จักพอรูนจักพอมันก็จุูได้ทุกอย่างใช่ครับกลับไปเล่อให้ประชาชนอยากได้ บ, บุญอีกอปหล่อ้ญาติโยมอยากได้บุญเยอะๆทำบุญเยอะๆ ถ้าเข้าใจว่าความพอที่ไหนก็อยู่ได้หมดทุกอย่างใช่ก็อารามัธยาสัยนะ<ด>อาจารยนะ ข, ในใขอให้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในในธรรมก็แล้วกันนะไม่ใช่ในลาบย่นสารบ ก็ในทางโลกเราก็ยังทำความดีได้รักษาศีลธรรมมีเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือกัน อ, อ, อันนี้ก็เป็นธรรมเหมือนกันมาจากที่ไหนเคยมาจากพัทยาครับผมไม่มีคำถามแต่ว่าผมจะมากราบธรรมสก า, าร์รลวงพี่สุชาติเรืงธนสารชื่ออะไรชื่อ น่นสหน้าตาทุกเมือก่อนวนี้ริมเลยเข้าจําไม่ได้แล้วเดียนเปลี่ยนไปเยอะเลยหน้าตาไม่เปลี่ยนเลยตอนนี้ยังอยู่ที่ไหนอยู่อยู่อเมริกาครับอคไปอยู่ที่โน่นไปอยู่เอลเวย์นะเราไ่ย้ายบิดที่นั่นลูกสาวอยู่ที่นั่นคนที่เกิดที่โน่น ว่าสัมผัสสัผัสตัวหน่อยได้ไได้เพื่อนเก่าตามทีบ้าปีเคยทำงานด้วยกันเราเป็นผู้จัดการเขาเป็นเราผู้จัดการร้านขายให้ติมเดียวไอสครีมพาเลอร์ได้ครับยังจํยจำเสียงเพลงดีหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหก ขอบคุณครับผมไม่นึกว่าจะมีกลัมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เลยเสียหมดแล้วไปหมดแล้วไปหมดแล้วมเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมน้องๆมีลูกสาวคนเดียวเลยลูกสาวคนนึงแล้วก็ลูกชายคนลูกชายที่เกิดเมืองไทยเลยที่เกิดเมืองไทยแม่อาจารยังอยู่ ยังอายุตอนนี้อยู่ที่นาเกลืออยู่ดานี้แกไ ป, ปย้ายเข้าไปอยู่คอนโดเพราะว่าตอนบ้านเก่ามันต้องขึ้นบันไดยังไม่ ไ, มไหวแกเลยไปย้ายเข้าไปอยู่คอนโดอยู่ใกล้ๆกันนะอยู่อยู่ริมถนนสุขุมวิททางที่ไปมากทางที่ไปที่ป ป, ปาเนี่ยปปาพัทยาเนี่ยทางเข้าไปแต่ก็พอ ย, ยังเดินเหินได้อยู่ แต่ต้องมีน้องสาวคอยดูแลแอนคอยดูแลอ พ, พ อ, ค, อ, อคุณพ่อเสียไว้ตั้งแต่เราบวชไม่กี่ปีแกก็เสียคุณอพอ่อทรงว่าที่เจอท่านครั้งสุดท้ายตั้งไนงานศ พ, ม, พมาสศพพ่อเนี่ยแกเสียแปดสี่ตอนที่เรากลับมาจากกุดอนจะมายก็มาจะมาอยู่ที่พอแกเสียแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ เดี๋ยวนี้ก็ทำหน้าที่เลี้ยงแม่ดูแม่ดูแลแม่แก่ทำกายทำทูริสโมทำอะไรพวงนี้ทำกายอยู่พักนึงแลพอแม่แก่แม่เลยบอกว่าให้มาช่วยแม่แล้วแม่ให้เงินเดือนแทนเพื่อเลี้ยงดูแม่ไปเอาตอนนี้แม่แม่ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วต้องมีน้องคอยตางก็ไม่ค่อยดีหลังขานก็เดินเหินไม่ค่อยไหว ยังพอเดินหน้าอยู่ อ, อยู่คนเดียวไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องให้มีน้องคอยหาอาหารมาให้กินอะไรเงี้ยเมื่อสองวันก่อนก็เพิ่งแวะไปไปเยี่ยมแกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว า, าบมันจะไปไปที่บ้านอำเภอเนี่ยไปทุกวั น, นบ้านอำเภอก็อยูจ่จากวัดยาเลยไปเลย กโกว่าก็บินธบารนี่มาตั้งแต่มาอยู่วัดนี่ก็บินที่บ้านเพื่อนมาตลอดผมมาจากประทั้งตะวท้ายนี้เก่าปี่สปีเี่สลูกเต่าก็อยู่นู่นหมดเบียก็ยังเรื่อนมาได้ยัง ยังดื่มถ้ามันติดแล้วมันเลิกยากไม่อยากเวลาไม่ได้กินแล้วมันหงุดกิเฮ้ยต้องหามากินอยากวันไม่หมดต้องสู้กับมันตอนที่เราสู้กับมันก็ทรมานสอนผมมาตั้งแต่สมัยแห้งเงาอยู่แถวปากซอยสี่ อย่าเอาข้าวเก่ามันเผยตอนนี้ก็ลังถ่ายทอดออกทางอินเตอร์เน็ตด้วยเนี่ยกล้องสองงนเนี่ยอ้คุณทุกคนย่อมมีอดีตแต่ผมดีใจพอลั้งตาเลือกตลอดนี้ว่าไอ้น้องๆเนี่ยมันบอกว่าน้องสาวเยน้องสาวติ่ม้าฟังอาจารย์ เม่ปีกเจเรียมเขาก็มาเยี่ยมนะได้ข่าวเาอยู่แถวนาือนี่เหมือนกันนะอยู่กับแพทย์พี่สาวเาลตายมับผมผมครั้งสุดท้ายเจว่าพี่แพทอยู่แถวซอยทองหล่อมีหลายปีแล้วนะเเรียมกลับมาอยู่ที่นี่รู้สก็ไปไมาๆลูกเขาไปอยู่ออสเตรเลียไอแลนด์ะใช่ไหม ไอ้อยู่เมืองไทยเมืงแต่รั่นเข้าไปเลยเป็นแอร์เมื่อไปอยู่ที่ออสเตรเลียอะไรเงี้ยแล้วตอนดีวันดีคืนดีมีเพื่อนที่เขารู้จักเราเขาพามามาเยอะเมื่อสองปีก่อนเนาะเข้าแรมมาหลายคนไม่จากไปแล้วก็หายไปเยอะเยอะก็ยังติดต่อคนคนฝรั่งชโร่บทเขาก็ยังมาอยู่ เราเบิร์ตออเรนยังมาผมที่ผมยาวก็เกิดเนี่ยก็มีครอบครัวมีลูกสองคนมีหลานแล้วคนไทยเหรอครับไม่ภรรยาเป็นสเปนชาวสเปนเขายังทบาติกอยู่มครับออเขาเลิกตั้งนาแล้วเขาไปทางานบริษัทขายแว่นตาขายแว่นตาแล้วนี่ตอนนี้ก็กาลังจะเกษียณพอดีร้องเิใครไม่คนคู่หูเาอ้าอาีอาีตายไปแล้วอาลีเสียไปแล้วอารีตายไปแล้ว เมื่อสี่ห้า 4, ปีก่อนรบอเยเขา เ, เคยเขาเคยแวะมามาเที่ยวเมืองไทยครับแล้วท่านตาหมาพ่อจันนั่นเจอไม่ทราบครัอเออก็ติดต่อกันมาตลอดพอดีน้องสาวเขาเขาส่งส่งไอ้แฮปปี้นิวเยียร์มาให้ทุกปีมันก็เลยยังติดต่อกันอยู่ครับผมจะหายไปเลยถ้าเล่นพวก Facebook นี่ก็เข้าไปได้ก็ไม่ ไปค้นหาได้ยังอง น, น้องสาวคนนี้ค่ะเขาติดตามพระอาจารย์ตลอดโดยที่ไม่ทราบว่าเคยเป็น<ค>อาจารย์รู้จักกันเป็นน้องสาวแท้ๆเหรน้องสาวคนเล็กค่ะแล้วนี่ก็คนคนที่สาม แล้วก็คนหไม่เคยเจอมั่งสบยที่ทางานไม่เคยมาจอสตอได้หมเจอจอดจำได้ไหมคะนิสเซอร์จอนนะคะเรือสรคนที่เป็นออสเตรเลียใช่หคนไทยต่งงานครับไอซ์รีมาเลอร์มาหเคยเจออยู่นะอะไรอย่างอี้แล้วก็ไบรอนผมก็โทรไปหาเขาครั้งหนึ่งแล้วยินดีตอบโทรศัพท์มาว่าอยู่แสเดโกตอนนี้ ยังอยู่เลยยังอยู่ครับยังอยู่คที่เคยมาทำตัวบายนี่ใช่มใช่ใช่อ๋อก็ดีปากความคิดถึงเอ้าด้วยครับผมอธิโนรู้อาจารนี่มีลูกศิษย์เต็มบ้านเตมเมืองตอนเนี้แต่ผมยังอยู่ในฝักอยู่เลยก็ไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์ใครก็คิดบวชเพื่อความผมเห็นตั้งแต่ ตั้งแต่ปาซอยสี่แล้วที่อาจารย์ทำอะไรเราให้น้องฟังเสมอว่าทำไมท่านถึงตัดสินใจบวชในพระพุทธศาสนาผลไม้ถุงหนีไปเกาะลานกลับมาที่เป็นพละย่ามไปนั้นยังอยู่ไหมครับมาขอย่าไมทิ้งไม่หมดแล้ว เราจะกลับเมื่อไหร่กลับอเมริกาครับวันที่สิบเก้าครับมาบ่อยไหมปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งหลังจากหลังจากหกสิบหลังหกิบเจ็ดมาแล้วเนี่ยเอ้หกสิบห้าครับลูกก็ให้กลับทุกปีเพราะว่าทํางานมาเยอะยังมีบ้านอยู่ที่นี่ป่ามีครับมีอยู่นะอกลับมาอยู่บ้านเก่าดีกว่านะแกแล้วอยากมากแต่ว่าเรามีธุรกิจเล็กๆอยู่ที่นู่นยังเป็นห่วงลูกยัง นมัลูกไม่ใช่ของเราท่านเพิ่งบอกเมื่อมมกี้ น, น<เ>ี้เราแต่เอันก็อแต่นันออก็อดไม่ได้ ย, ไไดยังไม่ได้เริ่มทําอะไรอย่างที่ท่านทําเลยเราถึงได้ยังคิดเหมนเดิมอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมไงท่านพิชแตกแแกับเรายังละไม่ได้ <Soul. S 2> ยังละไม่ได้ท่านเดินลงไปในน้ำแล้วชูมือขึ้นมา เ, <c oughs> เนี่ยผมจําได้พวกเพื่นนั่งอยู่บนในชายหาดเนี่ย ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยท่านอยากให้พูดก่อนเนถ่ายวีดีโออยู่มันเปดลน์ความจริงไม่ตายอยู่แล้วเนี่ยความจริงไม่ตายแค่นี้ก็ต้องบอกด้วยสิว่าท่านอะหล่อมากเป็นเป็นเหมือนอินเดียแดงนะคะ ศรัทธาท่านค no ่ะเห็นตั้งแต่ก่อนจะบวชวัดท่านพยายามศึกษาธรรมะมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ให้เข้าใจถึงธรรมะจริงจริงตอนที่ท่านยังไม่หดบวชนะคะจนกระทั่งท่านตัดสินใจท่านทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เห็นถึงธรรมท่านถึงได้บวชจตั้งแต่ก่อนมาคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเราบ้านะ หลายคนหลายคนคือคิดไม่เป็นอ่ะเมื่อกี้ที่ที่น้าเขาเล่าเรื่องที่เราลงไปในน้ําแล้วเนี่ยอยากทราบแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปถามเขาดูทีหลังอ่เนอยู่เว้นานานเกินกําหนดเพื่อนผูงแข่งงานคนอยู่เจแปดคนเนี่ยไม่อยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มไม่ค่อยไม่ค่อยบีเอฟเท่าไหร่แบบครับ จนเพื่อนนี่ร้องไอห่าก็เราเฮ้ย ไ, ไหน่ๆเพราะเนี่ยไม่ขึ้นมาสักทีไม่ขึ้นมาสักทีอ่ะมันมานานเกินไปครับอยู่ดีๆโปกปดุทธขึ้นมาอะไรไม่ท่านสมาธิค่ะกำลังมืออยู่เบ้าหัวนะคะ น ม, มืออยู่นอหัวแล้วก็ลงไปนั่งอยู่ใต้ใน้ำผมเคยดูในในในหนังที่พระพุทธเจ้าตอนที่ท่านอาราธารรมบาทท่านสอนพระพุทธเจ้ารงนั้นนะครับ แ, แล้วพระพุทธเจ้าท่านลงไปอยู่ในน้ำครับค่ ะ, คะจิงค่ะทา่ทานท่ทานทําท่านทําเหมือนอย่างที่ที่ตามหนังสือจากศีลากาบอกนะคะอืแล้วท่านก็ยังพยายามจะว่าท่านจะอยู่ได้ไหมโดยที่ไม่มีอาหาร ที่เขาบอกถึงแนกท่านยิ้วผลไม้ไปถุงแล้วข้ามเรือไปเกาะลานไปอยู่ที่หาดเทียนเจ็ดวันนะคะประมาณไม่กี่วันสองสามวันสองสามวันทนไม่ไหวไม่พอดีก็มีเพื่อนไปพอดีไปตามพอดีคนเป็นไปตามแล้วแล้วมีคนเคยพูดว่าพระอาจารย์สมัยสะพายย้ามจำได้ไหมด้านก็ไปที่วัดบวรใช่ไห เราไปนั่งไปนั่งอยู่ข้างอะไรก็ต้องตรงแถวๆนั้นอนะ่ะบริเวณในใ น, ใ น, นในสวนในต้นไม้ไปนั่งนุ่งเกงยีนนะครับยาวผมยาวไม่หรอกตอนนี้ผมทแล้วไม่เป็นไรไม่ได้ไปนั่งหรอกไปเพื่อที่จะไป ไปหาข้อมูลที่จะบวชเนี่ยจนภาพไมาเห็นเนี่ยมสมาธิไปไม่ได้ไปนั่งอ่ะไปแล้วก็ไปหาพอดีเห็นภาพฝรั่งเดินมาก็เลยไปคุยกับเขาอบอกว่าอยากจะมาบวชที่นี่ทํำยังไงเ้าก็เลยพาไปหาภาพฝรั่งที่เป็นที่บวชนานให้ไปคุยเพราะคนที่เราเจอเขาเพิ่งบวชใหม่เขาไม่รู้เรื่องอเขาก็เลยแนะนําพาเราไปหาภาพเถละพระชาวอังกฤษบวชมา10ปีแล้ว เราก็ไปกราบแล้วก็ไปเล่าว่าเราได้ปฏิบัติทำมาอย่างไรอยู่ปีหนึ่งแกฟังแล้วแกก็สนใจดีใจยินดีพาไปกราบสมเด็จสังเจ้าอวาตอนนั้นท่านส น, น, นทนาธรรมเป็นสามเด็ด ก, กับพร <า S 1> ะพ <า S 1> องค์นี้เขาก็เลยสนใจเขาก็เลยพาไปว่าไปกราบสมเด็จให้ทราบว่ายอยากจะบวช สมเด็จก็เลยถามว่ามีพ่อแม่หรือเปล่าเพราะวลาาจะบวชต้องให้พ่อแม่อนุญาตท่านก็บอกว่าให้พาพ่อแม่มาพบเราก็เลยกลับไปบ้านแล้วก็บอกแม่ว่าจะบวชแล้วนะแต่ต้องไ ป, ไปไปไปไปพบกับสมเด็จก่อนแม่ก็เลยไปไปด้วยกันสมเด็จนี่คือสมเด็จสังฆราษที่ถูกเสียไปเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นเจ้าวัดวัดโบ ว, า, บวาเป็น ตอนนั้นเป็นสมเด็จพยานสังวรยังไม่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชครับท่านก็นัดวันบวชให้ก็เลยได้บวชบวชเราก็ไม่ได้บอกใครบวชคือบวชนะั่นพวกผมยังทราบเลยมาทราบอีกทีคนคไปบวชการบวชเราสี่คนนะแม่ไปแม่แม่กับพ่อแล้วก็น้องสาวกับกับกับลูกพี่น้องน้องคนหนึ่งสี่คนนั่นก็ บวชแล้วอยู่ที่วัดบวรสักเดือนครึ่งแล้วก็ไปไปอุดรนะ <S <S ่ะครับไปแล้วก็อืแล้วสุดท้าย ท, ที่เห็นท่านครั้งแรกเลยที่ทราบท่านบวชก็ภาพจากในพุทธิในป่าที่ อ, อุดรอ่ารู้สึกแม่เออต่อม า, มาให้ดูแม่เขาก็ไปเยี่ยมครั้งหนึ่งเพราะว่าที่ที่วัดนั้นเขาไม่ต้องการให้ใครไปรบกวนภาพแล้วก็บอกไม่ต้องมาเยี่ยมหรอกมีอะไรก็จดหมายมาก็ได้ครับ ง่ายเขาก็เลยไปครั้งเดียวครับแเราท่านท่านอยู่ที่นั่นกี่ปีอยู่ทั้งหมดก็แปดปีกว่าอยู่อุดรนะครับแล้วพอดีพ่อไม่สบายก็เลยมาตอนนร้านข้าวมันไก่ที่มาที่อืที่ซอยอะไรนะอที่ซอยไอ้ที่วัดบุญใช่ไหมซอาวัดบุญแกก็เสียที่นั่นเราก็ไปอยู่ที่วัดโพอยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนมั้ง หลเก้าเดือนจนเกเสียแล้วก็เลยอยู่จำพรรษาที่นั้นพอออกพรรษาก็มาอยู่ที่นี่ต่อปีปีสองเจ็ดปีสองเจ็ดหลังจากวัดโพแล้วก็มาที่มาอยู่ที่นี่เลยตั้งแต่นั้นมาก็อยู่ที่นีตลอดกระตุ้งก็เคยมาครั้งสองครั้งไม่ใช่เผมผมไม่เคยมาเลยเคมามากับแม่ครั้งไม่ใช่เลยเพะพาแม่ขึ้นมาบนเขานี่หว่าจำไม่ได้เคยพบตั้นเลยอ๋อ ไม่ได้พบท่นมานานไม่ได้มากลับมานานก็เคยไปไปไปไปพบที่ร้านข้างนู้นใช่ที่ขายของร้านซอยสี่ใช่ไหมฮะข้างพัทยาพาเลทเนี่ยตอนนั้นเราเปิดร้านขายของใช่ไหมใช่นอนไหมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของของของเราอ่อ๋อซอยหกอ่ซอยหอแล้วก็ เเีเงินดบิตี้แลหน่อยหรอครับคุณหน่อยเสียไปแล้วนานแล้วเหอครับก็หลายปีแล้วัเราก็ไม่ทราบพอดีเราดูจากคนที่ทำงานอยู่ในเมืองพัทยาให้เขาไปค้นทะเบียนบ้านดูว่ามีชื่อนี้อยู่ในเพราะเรารู้ว่าเขามีบ้านอยู่พัทยาบ้านอยู่ที่ลงพอาตอนหลังเขาย้ายมาอยู่ที่ซอยพัทยากลางใกล้ๆฟู้ดแลงด์ุ่หน่อยน่นนะแล้ว ครั้งสุดท้ายเคยเจอเคยทราบว่าเขาอยู่แถวนั้นก็เลยลองให้คนที่ทำงานเมืองเขาไปค้นทะเบียนดู<ช>เขาก็ไปเจอว่าเสียชีวิตแล้วเพระพนทินลกรนใช่เสียชีวิตแล้วยังไม่ค่อยแข็งแรงอยู่นะออพอแล้วบางวันนี้เดียว ค, คนอื่นก็ฟังแล้วเขาจะเบือ่อใช่ใ ช, ใช <laughs> ่ผมก็ลืมตัวว่าขอโทษครับถ้าจะกลับแล้วเราจะกลับ ปีหน้าก็มาใหม่ปีหน้ามาใหม่โอเค่จบดีนะตัวตั้งแรงหน่อยอ่าแล้จอห์นสโตไปไหนล่ะเสียแล้วเหรอเป็นจอห์นล่ะค่ะอยู่ค่ะอยู่ก่อดสมุนยค่ะอ๋ออยู่กอดเสาขึ้นมาค่ะ ก็เป็นโรคหัวใจค่ะก็ทํำบายพาสแล้วตอนนี้ใส่ก่อดแล้วอยู่กับเขาเลยอ๋อก็จะอยู่กันก็สามสิปีแล้วกันก็ไปอยู่ที่เกาะสมุยได้กันลูกหนูไม่เลวแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนจองเทียนด้วยแล้วก็ไปเกาะสมุยด้วยค่ะตอนนี้ก็เสียนหมดแล้วค่ะแล้วคุณจอนก็ชอบทะเลก็รันลน์อยู่ตรงนั้นแล้วก็พัทยาเขาก็ไม่ชอบแล้วมันผูกผ้าเนีไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้ล้ บบางงเียยอ่นี้จากมหาคุณหมอทีก็มาที่นี่ค่ะอที่โรงพยาบาลศรีราชพิยมหาดอาจารย์ดดีมากเลยโย่แม่เราก็ไปที่นั่นเหมือนกันแกไปทำผ่าหัวใจไปทําาบพาสคุณแม่ดูเห็นบ่อยเลยคุณคุณแม่คุณพ่อค่ะตอนนั้นหนูมียอดขอดอยู่ที่ซอยสามคุณได้คุณพ่อกับรถมานั่นทะเลียนาค่ะ อ่าถ้าไม่มาบอกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครเพราะมันยืนพิสูจึ์มากิดว่าจําได้คือมองเห็นเหลือยมองบอกถ้ามีบุญก็ได้เจอหลวงอาตมาถ้าเผื่อไม่มีบุญก็ไม่ได้เจอวันนี้คงไม่ต้องถามทางบ้านนะหรือมีอะไรอ่ะว่าไง แล้วมีอะไรไหรือเปล่าก็ทำเข้าสมาีิไม่ค่อยได้ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปพุทโธพุทโธไปอพยายามพยายามอย่าไปคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาห้ามมันไม่ได้มันจะเป็นก็เป็นไปร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเ ต้องท e e e e. mm ิ้งมันให้ได้สักวันหนึ่งมันต้องจากเราไปงั้นวันนี้คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าบรรยากาศมันไม่ดีที่จะตอบปัญหาแล้วมันสเปสปะไปเรื่องอะไรงั้นอ๋อไม่ไม่ไม่หล่กไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่ามันคำถามเขาก็ถามได้ทุกวันอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เข้าก็ถามใหม่ได้ แล้วส่วนใหญ่ก็ถามซ้ำๆกันอยู่มาก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนนะก็ขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอง